ลำพูไทยต้องละมักต้องเจริญนี่โนดทําให้แจ้งอันนี้เราพูดกันติดศพติดปากมานานแล้วแต่ไม่เข้าใจทุกกําหนดรู้อย่างไงก็พลิกมือขึ้นให้มันรู้อันนี้มันทําได้มันเคลื่อนไหวไปมามันรู้มันทําได้เส้นอ้มลงเงยขึ้นมันทําได้พลิกมือขึ้นข้มมือลงมันทําได้อันนี้คนอื่นมองเห็นนี่บัดนี้มันคลิปพู้ขึ้นมา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 ดูแค่แค่นั้นเองเอาแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองมันนึกมันคิดอะไรก่อนรู้เท้ารู้ทัน ร, รู้จักกันรู้จักแก้เรียกว่าเอาชนะได้นี่นี่แหละรู้เท่ารู้ทัน ร, รู้กันรู้แก้พอดีเดินกลับไปจะมาค่ายคา ย, ค, ยคือเราทอดเสื้อนี่ทอดของในตัวเราเออกหมดแล้วก็เบากายเบาใจ